บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องอวิชชาเกี่ความไม่รู้ที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นเนื่องจากเป็นรากงาวของกิเลสคือสรัรพกิเลสทั้งหลายความชั่วร้ายทั้งหลายจะเกิดขึ้นในโลกนั้นดูแลแต่สืบเนื่องมาจากาวิจชาทั้งนั้น แม้บางครั้งบางคราวจะเป็นเรื่องที่ตัวแรกจะห่างไกลกันถึ่เมื่อเราสืบสาวไปถึงที่ไปที่มาแท้จริงก็จะพบว่าก็มีอวิชาอยู่อวิชาโดยพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือความไม่รู้ใน อ, อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการในความเป็นอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการ น, นั่นเองถ้าเรามองอีกระดับหนึ่งคือระดับทั่ ว, วไป ก็คือกฎของเหตุผลในเอเรียศัสตร์มีสองเหตุสองผลทุกเป็นผลสมุทยัยนิโรธเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธมรรคเป็นเหตุสมุทัยนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์มรรคนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขคือเหตุแห่งนิโรธได้พูดถึงเรื่องการไม่รู้ในทุกขสัตว์มา ในระดับต่างๆถึงศาพใดที่ยังไม่รู้ความจริงในอริยในทุกขสัจเราก็ต้องประสบความทุกข์อยู่รำไปเพราะฉนพระพุทธเจ้าพระธรรทั้งหลายที่ท่านละทุกข์ได้ก็เพราะท่านมีความรู้ความจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการได้ทันเด็งในส่วนของสมุทยัยตามปกติแล้วเวลาพูด การโดยทั่วไปจะไม่พูดลึกไปจนถึงตัวสภาวะที่แท้จริงแต่มักจะเป็นการพูดถึงอาการของสมุทยัยเรียกว่าไม่รู้บาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ทางเสื่อมทางเจริญไม่รู้เหตุแห่งความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นอาการที่เราสังเกตได้ แต่พอสืบสาบไปว่าทำไมจึงไม่รู้ก็บอกว่าเพราะเรามีอวิชชาในจุดนั้นๆที่จริงแล้วผลทั้งหลายของสมุทัยคือผลของกิเลสตัณหานั้นมีข้อที่ให้สังเกตเป็นอันมากเี่เราอาจจะพบค่าวคราวการถูกตัดสินประหารชีวิตคนูกคาเฮโรอิน เราดูเท่านั้นคล้ายๆจะมันอยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับเพราะค่าเฮโรอีนจึงถูกประหารชีวิตแต่แท้จริงแล้วเราจะสืบสาวไปก็จะพบว่าเมื่อกล่าวโดยอาการเป็นอาการของความโลภความหลงขาดความสำนึกถึงชีวิตสวัสดิภาพของเพื่อนรวมโลกด้วยกัน มุ่งแต่ให้ตัวเองมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งสมบูรณ์แต่ความมั่งร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ของตนในเองนั้นอาจจะลงทุนด้วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกไปนั้นมากที่ต้องตายเพราะการเซเปโรอินเราจึงเห็นการกระทําของบุคคลเหล่านั้นว่ารุนแรงพร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะทําลายคนอื่นซึ่งขัดขวางตัวเอง ราจึงได้ยินข่าวปรากฏอยู่เสมอว่าพู้ค้าสิ่งเจ็บติดต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกวิสามันฆาต ก, กรรมรู้ต่อสู้กันก็ตายในที่ต่อสู้รถนั้นนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าความโลภหลงที่มีอยู่ภายในิตใจของเขานั้นรุนแรงจนให้ความสําคัญแก่สินค้าของตัวเองมากกว่าชีวิตของตัวเองชื่อเสียงเกียรติภูมิของตัวเอง เราทังความสงบสุขของครอบครัวเขาชีวิตเข้ามาเสียเรรเส่ยงเพื่อการกระทําชั่วแต่ปรากฏว่ามีคนเสี่ยงเพื่อการกระทําดีนั่นน้อ ย, อยกลับมียอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทําช่วให้ได้เพราะว่าอันนี้จะยิงสะท้อนกลับก็ไปสู่ความคิดของเขาคือการไม่ไม่รู้เหตุผล แน่นอนคนเราต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยเรียกว่าลาภยศสนเสริญสุขแต่ถ้าไม่มืดบอดจนเกินไปก็จะใครควรพิจารณาเชื่อมโยงได้ว่าลาภยศสนเสริญสุขที่เกิดขึ้นกับคนทั้งหลายในโลกนั้นมีเป็นอันมากหรือเกินคือเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มากกว่าที่ได้มาจากความชั่ว ลาบยอดสรเสริญสุขเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่คนดีทั้งหลายที่มีการประกอ บ, บอาชีพการกระทำงานโดยวางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเขาก็ได้ลาบเย็นไดยศมาอย่างเย็นเย็นได้สุขที่เย็นได้ความสรเสริญที่ไม่มีอะไรเครือบแฝงอยู่ท้่เราจะเห็นว่า การที่ต้องสรรเสริญบางอย่างถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเราก็เขินเราก็กระดากเราก็ละอายแก่ใจมีลักษณะเหมือนกับคำพูดที่ว่าคนอื่นจะไม่รู้เนี่ยเราก็รู้ของเราว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะส่รเสริญสรรเสริญสุขที่เกิดขึ้นมาโดยความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรม ก็ให้ความสุขที่แท้จริงให้ความสงบที่แท้จริงไม่ต้องกระดากใจไม่ต้องเคอเขินไม่ต้องละอายแก่ใจก็เดินเชิดหน้าได้อย่างสบายซึ่งหมายความว่าถ้าเขามีปัญญาตรวจสอบพิจารณาในจุดนี้ก็สืบสาวไปจากการกระทำของคนเหล่านั้นว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงจึงประสบลาบยศสรรเสริญสุขโดยไม่ต้องทำชั่ว ก็จะมีแบบในการดำเนินชีวิตอยู่ซึ่งเราอาจจะมองจากผลที่เขาได้แล้วคือราบยศสรรเสริญสุขที่เขาได้แล้วมองจากตัวของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นคนดีมีเกียรติมีสถานะเป็นที่ยอมรับนละถือยกย่องของคนอื่นภายในสังคมมองจากการแสดงออกโดยปกติของเขา การพูดของเขาการทําของเขาซึ่งสะท้อนมาจากความคิดของเขาสแสดงว่าการเดียวเขาพูดดีทดําดีนั้นหมายความว่าเขาคิดดีและจากความคิดดีนั่นเองเราก็สืบสาวกลับไปถึงกุศลธรรมที่มีอยู่ภายในใจิตใจของเขาก็สแสดงว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายนั้นก็มีความรู้หรือมีสมาธิิหรือมีปัญญาเนี่ยก็เป็นยอด เพอาการที่ดีทั้งหลายมันจะสืบเนื่องมาจากเหตุที่ทรงกันข้ามกับวิชาก็คือเกิดสืบเนื่องมาจากวิชาคือความรู้อย่างน้อยก็รู้เหตุรู้ผลอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นเหตุแต่งความเสื่อมเป็นเหตุแต่งความเจริญหรือเป็นตัวความเสื่อมความเจริญ แต่ว่าจับใดที่คนยังไม่สามารถที่จะลดความมืดบอดของอวิชชาลงไปอาการของความโรคอดหลงก็เกิดขึ้นได้เด็กๆอย่างที่โบราณอาจารย์หมายความอาจารย์ในการก่อนนท่านสะท้อนสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดง เรื่องอบายเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมเรื่องเทวดาเรื่องมนุษย์เรื่องเปรตเรื่องอสุรกายอะไรต่รงตางๆแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันอยู่ในโลกอื่นได้อยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งเราก็ไม่มีตาทิพที่จะไปรู้เห็นได้อย่างผู้อบายสพูดถึงสัตว์ตนรกพูดถึงเปรตพูดถึงอสุรกายพูดถึงสัตว์สติเรชานเราก็เห็นได้เฉพาะสัติเรชานบางชนิดบางประเภทเท่านั้น เราก็เห็นไม่หมดไม่แต่สัตว์ดิเรกชานเองก็เถอะส่วนไปนรสัสรกายสัตว์นรกนั้นเราก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้อาทิตย์สมานกายคือกายเป็นปรากฏแตะ่จะปรากฏด้วยทิพยจักษุเขาเรียกว่าเป็นวิสัยของทิพยจักษุจึงจะเห็นได้ มันเหมือนอะไรเหมือนก็เชื้อไวรัสต่างๆที่เป็นวิสัยของกล้องจุลทรรศจึงจะเห็นได้แม้เราจะมีตาเราจะสวมแว่นอะไรก็ตามแต่เราเมื่อเราไม่มีกล้องจุลทรรศสัตว์เล็กขนาดนั้นสิ่งเล็กขนาดนั้นเราเห็นไม่ได้ก็เรียกว่านอกวิสัยของตาเรานอกวิสัยของตาเนื้อแต่มันเป็นวิสัยของตาที่อาศัยกล้องจุลทรรศ แต่ว่าลึกลงไปเนี่ยแม้แต่กล้องอยุรทาท์ดมันก็เห็นไม่ได้นั่นคือสภาพจิตที่มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะผู้ไงมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันจะต้องอาศัยเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาแต่ปัญญาต้องมีกำลังมากพอต้องขยจัดความเห็นแก่ตัวความหลงตัวเองการปกป้องอบอุ้มคุ้มครองตัวเองออกไป ไปการวิเคราะห์ตรวจสอบไปเห็นเรื่องความจริงโดยไม่ลำเอียงเข้ากับตัวเองก็แสดงว่าปัญญาต้องมากเหมือนกับเราเห็นของที่ละเอียดแสงสว่างก็ต้องมากเพราะพวกวิสัยเหล่านี้เป็นสังเกตว่าไม่ได้หมายความไม่มีแต่มันนอกวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วมันเป็นอีกระดับหนึ่ง ยังเสียงซึ่งเต็มอยู่ในที่นี้มันไม่ใช่วิสัยของหูเราที่จะได้ยิดแต่เป็นวิสัยของวิทยุเป็นวิสัยของโทรทัศน์แต่เราเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ขึ้นมันก็จะมีเสียงมากมายก่ายกองหลายชาติหลายภาษาทั่ทวโลกมาประกฏกันอยู่ตรงนี้เวลานี่ เราจเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่ไม่มีแต่มันนอกวิสัยนอกวิสัยของหูเราของตาเราแต่เมื่อเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินดมไม่ได้ก็เป็นมากกว่ามไม่มีเพียงแต่ว่านอกวิสัยหรือเกินวิสัยที่เราจะรู้เห็นเท่านั้นเองพันการมองบาปบุญคุณโทษจึงต้องสามารถมองเชื่อมโยงได้หลายเดือน แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องกลับมาเห็นโทษซึ่งเกิดภายในใจอาการเหล่านั้นอาจจะปรากฏแก่นกนคนอื่นเช่นไดรินข่าวของคนที่ถูกประหารชีวิตประคายหรืออินอย่างกล่าวนีน่ก็มาสืบสาดูก็เพราะว่าเกิดจากโลภจากหลงก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้าเราโลภเราหลงขนาดนั้น เราก็ต้องทำขนาดนั้นเหมือนกันเมื่อทำขนาดนั้นเขาก็ไม่ถูกประหารชีวิตคนเดียวแม้เราเองก็ต้องตูกประหารชีวิตด้วยเพราะคนที่ประหารชีวิตนั้นที่ยังมีมาแล้วมากมายกลายกองในอนดีตแล้วก็มีอยู่ในขนาดนี้อย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียมีการประหารป่อยๆแล้วเราก็มองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่คนอื่น มองเห็นโทษเชนนั้นแล้วเป็นเหตุได้เกิดการป้องกันมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับไฟไหม้มามันก็น้ำหลากมาเหมือนกับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็มังมาเรามองเห็นไกลๆเราหาวิธีป้องกันเราหาวิธีลดความรุนแรงของไฟอันตรายเหล่านั้นเพราะธรรมะปฏิบัติในแนวป้องกันจึงเกิดขึ้น ซึ่งเวลาป้องกันที่จริงไม่ใช่ป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ป้องกันได้ทั้งหมดแต่การจะป้องกันได้นั้นจะต้องมีปัญญาที่มองเห็นการไกลเป็นการป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิดอย่างที่โบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าถึงคนระดับของยอดคนเนี่ยหมายความว่าคนที่บอกว่าอะไรมันเป็นอะไร ต่อไปจะอินจะเป็นอะไรโดยมีข้าวอยู่แล้วเนะี่ยเช่นว่าเห็นมีอากาศครึ้มฟ้าครึ้มผลมีฟ้าร้องมีลมเย็นพัดมามีเมฆปรากฏแล้วบอกว่าผลตั้งข้าวจะตกแล้วผลตกมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะข้าวมันได้เห็นกันอยู่คๆก็ตอบได้เคยๆก็บอกได้เห็นหมดขนไข่ก็เป็นแถวขึ้นมา แล้วก็บอกว่าอีกไม่นานผลจะตกน้ําจะท่วมอันนี้เป็นการสังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สะสมกันมานานแล้วก็พูดได้บอกได้แต่ว่าการที่ใครก็ตามไม่ได้เห็นเข้าอะไรเลยแต่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันสิ่งดนั้นไว้ได้ เราถือว่าเป็นอจัจฉริยะบุคคลเป็นบุคคลที่พิเศษจริงๆเช็นการที่เรายกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงคำนวณเรื่องสุริยุปราคาที่ว่าก่อเป็นการตื่นเต้นการทั่วโลกแม้ในปัจจุบันว่ายุสมัยอย่างนั้นเครื่องไม้เครื่องมือขนาดนั้นแล้วคิดได้ขนาดนั้นแล้วก็ลงตัวขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดา บางท่านที่ไม่มีข้าวอะไรให้คิดเลยแต่ตั้คิดได้ก็ประมวลได้กำนวณการได้นั้นการมองถึงโทษบาปต่างๆที่ยังไม่มาถึงแต่เราเห็นได้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมป้องกันไว้ได้ไม่ให้เกิดขึ้นพอแสดงให้เห็นเรื่องปรีชาญาณของบุคคลเหล่านั้นความมาก ของสติสมัชัญญะ <Yes. S 1> และความเพียรของบุคคลเหล่านั้นแพราแนวป้องกันจึงถือว่าเป็นแนวหลักที่พระเจ้าทรงวางไว้ในในเงื่อนไขต่างๆเช่นการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมการคบหาสมาคมกับคนดีการฟังคําสั่งสอนของท่านการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน อันนั้นมันเป็นทั้งการป้องกันทั้งการบำรุงทั้งการบำบัดและทั้งเป็นการรักษามันก็เหมือนกับรับประทานอาหารท่านสาชนทั้งหลายเห็นว่าการรับประทานอาหารนั้นที่จริงเป็นครบทั้งสี่อย่างในการรับประทานเข้าไปก็เป็นการบำรุงตัวอาหารเองนั้นจะทําหน้าที่บำบัดความหิวและเหตุของความหิวให้ บำบัดความไม่มีเรี่ยวแรงการออดรอคอยให้แล้วจนกลายเป็นสร้างเป็นบำ ร, รุงให้เกิดความอิ่มขึ้นมาและตัวความอิ่มนั้นก็จะทําหน้าที่ป้องกันความหิวให้ในขณะเดียวกันก็รักษากําลังเรี่ยวแรงความสาบานต่างๆของเราเอาไว้เราแสดงว่ากระทำได้ครบทั้งสี่อย่างเพราะธรรมะบางอย่างเนี่ย ท่านจึงไม่ไปพูดรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเป็นรายละเอียดมากแต่จะพูดให้ทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึง่งว่าอบรมก็ทำไใหมากก็ทำกกทำไปบอกก็ททำไปเราจะเห็นเองจะรู้เองอย่างครูบาอาจารย์บางท่านท่านไม่เคยอธิบายท่านแนะแต่ให้ทำเช่นพระอาจารย์เสาพระอาจารย์กองพ ร, ระอาจารย์มั่น ใครก็ตามที่พวกทธัน์แต่ก็สอนให้ภาวนาพุโทโธถามอะไรถ้าก็บอกให้ภาวนาวเพราะเมื่อภาวนาไปแล้วเนี่ยจิตใจเราจะสงบขึ้นไอตัวสงบที่จริงเป็นสมาธิแต่การใช้ความพยายามภาวนานั้นเป็นความเพียรมีสติมีสัมพัจัญญอยากเข้าอุปธรรม เป็นการเพิ่มพูนสติสัมปัญ ญ, ญาขึ้นทีนี้พอสติสมัมปจนยาเพิ่มขึ้นความเพียรเพิ่มขึ้นมันจะมีลักษณะเหมือนกนระถือไฟฉายที่ส่องไปในท้ายข้างหน้ามันเป็นอะไรก็ช่างแต่จริงเราก็เห็นไกลพอสมควรส่องไปที่ไกลแล้วก็ดูที่ไกลส่องไปที่ไกลนั้นที่จริงเราเดินยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าป้องกันเอาไว้ว่าถ้ามีอะไรพอจะหลบก็หลบซะก่อน แต่ที่เรารับผิดชอบจริงๆก็คือเท้าที่เราเดินไปเพราะงั้นการใช้ไฟจึงใช้ที่ให้เท้ามันเี็บโดยไม่พลาดเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นขวากเป็นน้ำเราก็ปฏิบัติให้เหมาะสมสดคล่องแก่กรณีดนนันั้นแต่ประการที่สำคัญก็คือให้เกิดความสวสดดีแก่ตัวเองเราสามารถเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั่นคือธรรมะในแนวปฏิบัติ เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่มาก็คือเรื่องียังไม่มาเราไปทำอะไรกับเรื่องผ่านไปแล้วกับเรื่องที่ยังไม่มาไม่ได้แต่เรารับผิดชอบได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเพราะแนวการเดินแล้วก็ฉายไฟมันจึงแนวที่มองใช้แสงสว่างส่องในปัจจุบัน ทีนี้ถาเรารับผิชปัจจุบันดีปัจจุบันมันก็ไหลไปเรื่อยมันก็กลายเป็นอดีตเป็นอดีตที่เรารำลึกถึงคิดถึงโดยไม่ต้องตกิดตะขวงใจไม่ต้องวิตกกังวลเพราะปัญหามันน้อยคือจะเกิดเป็นปัญหามันเกิดปัญหาที่ปัจจุบันไม่จะเกิดปัญหาที่อดีตถ้าปัจจุบันไม่มีปัญหาเวลาปัจจุบันเป็นอดีตก็ไม่มีปัญหาเช่นวันนี้เราไม่มีปัญหา เมื่อวันนี้ก็ต้องไม่มีปัญหาหมายความเมื่อวันนี้ผ่านไปหนึ่งวันก็กลายเป็นเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่มีปัญหาลึกถึงเมื่อไรมันก็ไม่เจอปัญหาแล้วก็พรุ่งนี้ซึ่งเป็นอนาคตที่ ย, งยางไม่มาแต่เราก็ทำที่วันนี้ให้ดีพอพรุ่งนี้กลายเป็นวันนี้แล้วก็ทำดีต่อก่กลายเป็น เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นวันนี้ที่ดีเช่วงที่รับผิดชอบจริงๆจึงอยู่ที่ตัวปัจจุบันแต่ว่าในแนวการสอนนั้นเพื่อเกิดผลสมบูรณ์ก็มองทั้งสีระดับมองในการป้องกันมองในการบำบัดในการปรับปรุงในการรักษาสิ่งที่เราป้องกันนั้นแสดงว่าเรารู้ขุนโทษของมันเรารู้โทษ คือไม่ใช่รู้คุณรู้ถวนที่เป็นโทษแล้วก็พยายามที่จะป้องกันไว้การเรียนนั้นอาจจะเรียนจากพฤติกรรมของคนอย่างที่โบราณท่านเรียกว่ามนุษย์ดิริชานโนแปลว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นดิเรกษานคำวมาดิเรกษานนั้นหมายถึงว่ามีการของโมหะอยู่เยอะมีความงงง่ายร้าเหตุผลอยู่เยอะ สติระชานั้นผู้สังเกตว่าไม่มีพัฒนาการก็เกิดมาในโลกพอๆกับมนุษย์เราบางสัตว์บางชนิดก็เกิดมาก่อนมนุษย์ได้ซ้ำแต่ว่าแกไม่มีพัฒนาการเพราะว่าภายในใจแกมีโมหะมากก็เรียกเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาแม้จะฝึกมันก็มีความจํากัดและฝึกได้ไม่กี่ชนิดเพราะถ้าเรามองเห็นโทษตรงนี้จากคนอื่น แต่ว่าแสดงอาการของโมหะออกมาเราเห็นอาการเขาการทำของเขาการพูดของเขาผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาปัญหาต่างๆที่มารุมมาตุ้มเพราะความโง่เขาเบาบัญดาของเขาเราเห็นโทษตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะลดตรงนี้เพราะจริงๆโมหะไม่ได้มีเฉพาะคนใดคนหนึ่งก็มีอยู่ทุกคนพูดโดยรวมมาตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนปรารถนานั้นเราก็มีอวิชชาอยู่จะมากหรือน้อยเท่านั้น พมืาการมองเห็นโทษจากจุดนี้เราก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาไม่จะเกิดขึ้นเพราะตัวเขาแต่เกิดขึ้นเพราะกิเลส ท, ที่ไปปรุงแต่งจิตเขามากกว่าไปแต่ปรุงแต่งเฉพาะเขาเท่านั้นได้ปรุงแต่งใครก็ได้เพราะแต่ละคนก็มีเชื้อของพวกเรานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นเรามีเชื้อของความโลภเชื้อของความโกรธเชื้อของความหลงที่จ้าสนใจกับบัพทั มีการมาธาตุมีพยาบาทธาตุมีโมหะธาตุคือเชื้อเป็นธาตุที่พร้อมจะรับเชื้อและขยายผลแต่กินก้านสาขาเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายมนุษย์สะเนรยิโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจมันตกนรกเป็นจิตใจที่เร่าร้อนด้วยแรงของอาฆาตพยาบาท คือโทสะความมรุทธสร้ายด้วยความโกรธโดยการผูกโกรธด้วยความอาฆาตด้วยความพยาบาททุกคนมีประสบการณ์ตรงในระดับใดระดับหนึ่งมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นบุคคนเราก็มีโรคโกรธตรงดังกล่าวเพราะการเรียนจากอาการของคนที่ลู้อำนาจแกโทสะทําอะไรไปตามอํานาจของโทสะบางคนก็กลายเป็น สร้างลักษณะนิสัยสร้างจิตสันดานแต่เขาก็ประสมความทุกข์ซ้ำๆสักๆเราก็น้อมเข้ามาว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นแก่เราอย่างนั้นเราก็คงมีพฤติกรรมอย่างนั้นแมาความความทุกข์ที่คนเหล่านั้นกำลังสวยอยู่เราก็ต้องสวยด้วยเราก็ต้องรับด้วยแล้วก็ป้องกันจิตเอาไว้แม้จะมีโทสะก็รู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักบรรเทาความรุนแรงของโทสะไม่มากเกินไป มนุษสเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเปรตเป็นลนักษณะของใจที่กระสันอยากโหยหิวกระหายหิวมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดที่ท่านสอนเป็นรู ป, ปรธรรมว่าปากทะลุเข็มท้องทะปูเขาเป็นว่าอย่างนี้และกินไม่มีอิม่มพะกินได้ทีละนิดเทียนย ท้องนั้นมากแล้วกันนั่นเป็นการอธิบายสภาพจิตของสัตว์โลกที่ขาดเหตุผลในการดำรงชีวิตในการแสเวงหาในการถือครองทรัพย์สินต่างๆตรงนี้เราอาจจะเรียนจากกรณีของสอปกศีข40 4.01 ก็ได้มันเป็นข่าวคราวก็อยู่ทุกคนหรืออาจจะเรียนจากเพชรสาอุ ก, ก็ได้ เราเห็นว่าอาการโลภหลงของคนคนหนึ่งขยายผลสร้างความโลภหลงและเกิดขึ้นกับคนอีกเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเป็นรูปของความโกรธความอาฆาตพยาบาัตมีคนตายกันหลายคนมีคนดับอนาคตตัวเองเสื่อมเสี ย, สสยชื่อเสียงถูกไล่ออกจากราชการเบ็ดเสร็จแล้วในร่วมรอยเราจะเห็นว่าอาการสืบเนื่องมาจากเพชรสาอุซึ่ง อาศัยความโลภหลงของคนไทยเป็นคนเดียวเดี๋ยวขยายที่ยิงผลไม่กระทบอย่างนั้นกระทบแรงงานไทยจํานวนหมืนม่นๆกระทบเกียรติภูมิของไทยอีกเป็นนับมากตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีโลภหลงเกิดขึ้นภายในใจคนเป็นคนเดียวในจุดนี้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเองหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราบทเรียนทั้งหลายที่มองโทษของกิเลสมองคุณของธรรมะ บางที่เราก็เรียนจากตัวคนอย่างนี้เรียนจากสัตว์นรกเรียนจากเปรตเรียนจากอสุรกายเรียนจากเทวดาเรียนจากพรหมเรียนจากคนชั่วทั้งหลายเรียนจากคนดีทั้งหลายจึงหมายความมีตัวอย่างที่สะท้อนกลับไปสู่อาการของธรรมะอาการของกิเลสต่างกันทั้งนั้นในกรณีของสมุทยัยเราก็ไม่มองที่อาการของกิเลสแล้วไม่คิดจะไปแก้คนอื่นเพราะคนอื่นที่จริงเราก็แก้เขาไม่ได้ ถ้าเขาจะแก้ก็เป็นเรื่องที่เขาแก้โดยตรงเขาเองไม่ต้องกล่าวถึงเราหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็ดนบันดาลไม่ได้เปล่าเสกเป่าเอาไม่ได้ทรงสแสดงสถานะของพระองค์ชัดเจนว่าพระองค์ก็เป็นในเพียงบอกให้เท่านั้นทรงชี้ไอ้นี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุเกิดของทุกนี้เป็นความดับทุกนี้เป็นข้อปฏิบัติ้ถึงถึงความดับทุกแน่นอนทรงรับรองอย่างนั้น ทกุก็ทุกจริงเหตุได้เกิดแห่งทุกก็เหตุได้เกิดของทุกจริงความดับทุกก็ดับทุกได้จริงเหตุได้ถึงซึ่งความดับทุกก็เป็นเหตุจริงๆแล้วคนเดินบนเส้นทางสายนี้มากมายกายกองตลอดการยาวนานก็บอกได้แค่นั้นแต่ผลจะเกิดแก่คนนั้นได้หรือไม่ มันก็อยู่ที่คนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติหรือไม่แล้วปฏิบัติก็ถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้หรือไม่มก็มีเงื่อนไของประกอบต่างๆแต่เราต้งการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นแั่นมากแต่เป็นเรื่องแน่นอนที่สุดก็คือว่าความทุกขนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสความสุขนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากธรรมะต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป